ทำอย่างไรจึงจะรวยรวยแล้วอย่าลืมความหลังหลวงพ่อจะสอนว่าให้ขยันหาให้มันได้มากๆและหัสตรณีมากๆคนไม่ตรณีไม่มีทางได้เป็นเศรษฐีหลวงพ่อคบกับคนตั้งแต่ชั้นขอทานจนกระทั่งพระเจ้าแผ่นดินคนในระดับยากจนเอาละว่ากันง่ายๆ หลวงพ่อก็อยู่ในระดับนั้นกำเนิดหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในระดับเป็นคนยากจนหลวงพ่อคือเด็กขอทานกลางบ้านบอกตรงๆเนี่ยยังไม่อายทีนี้นิสัยของคนที่มีพื้นเพกค่อนข้างยากจนมองข้ามหมดทุกสิ่งทุกอย่างคนอยู่ในระดับอนุษษธธเศษถีมหาเสถีแม้แต่เศษกระดาษเขาก็ไม่ทิ้งหน้าบ้านเนี่ยดูแล้วสะอาดสะอ้าน หลวงพ่อแอบแอบไปดูหลังบ้านหลังบ้านมีแต่อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดถามว่าเก็บไว้ทำไมเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีประโยชน์หมดแม้แต่ไม้คานที่เขาหาบขายของเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเอ้ยก๋วยเตี๋ยวเอ้ยพอเข้ารวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วเขาเอาไปปิดทองทำบูชาไว้นี่พวกเศรษฐีของพวกเราเนี่ยพวกเราธรมาธรมดาธรรมดา อะไรที่มันให้คุณให้ประโยชน์เอาไปฟันเป็นฟืนต้มน้าหมดส่วนเศรษฐีเขาเก็บบูชาไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเตือนใจนี่เวลานี้หิ้งบูชาพระหลวงพ่อเนี่ยมีเด็กขี่ควายอยู่นั่นคู่กันใครไม่เห็นมาถามว่าทำไมหลวงพ่อเอาเด็กขี่ควายมาไว้บูชาก็เลยบอกว่านี่แหละ อดีตของฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นลูกจ้างขี่หลังควายเลี้ยงควายอาศัยเลี้ยงชีวิตมาจนกระทั่งฉันใหญ่โตมาฉันกระโดดลงจากหลังควายมาแล้วฉันมานั่งรถเบนซ์ฉันกลัวว่าฉันจะลืมความหลังฉันก็เอาควายมาไว้ดูเล่นเพื่อเตือนสติคนเราเนี่ยมันล่มจมเพราะได้ดีแล้วมันลืมหลังจะบอกให้ เจ้านายใหญ่โตมาถามหลวงพ่อเขาถามว่าทำไมคนอีสานจึงยากจนนักหนาหลวงพ่อก็นึกได้ว่าเออคนอีสานเนี่ยเมื่อมันได้ดีแล้วมันลืมความหลังได้ดีแล้วลืมความหลังเพราะฉะนั้นมันถึงได้ยากจนขนาดมีรถคันน้อ ย, อยรถขนส่งคนโดยสารจากอาเภอไปบ้านนอกวิ่งกระตอกกระตอกกระตอกพ่อมันเรียกลูกมันว่า อเซียใครไม่เรียกลูกมันว่าอาเซียพ่อมันตั้งให้ลูกมันเป็นอาเซียเองลงผลสุดท้ายก็ต้องเจ๊งวัวควายเนี่ยใครไปลืมมันไม่ได้หรอกเลี้ยงควายมันครบวงจรตามความเข้าใจของหลวงพ่อนะสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กชาวนาเนี่ยหลังมันขี่ไปทํานาแรงมันได้ไถนาขี้มันออกมาเป็นปุ๋ยใส่ข้าวใส่น้ํา เวลามันตายเนื้อหนังมันได้ขายได้แจกกันกินไม่มีอะไรทิ้งเลย